การหาของปลาราะสัตว์นี่มันเป็นวิถีชีวิตของคนที่หลายหมื่นปีมาแล้วนะตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์ยุกหินเลยเขาเพบว่าอาหารนี่มันมีความหลากหลายมากความหลากหลายนี่ก็หมายถึงว่ามีวิตามินมีแร่ธาตุนานาชนิดนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพมากกว่าอาหารสมัยนี้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 มันก็มีบางคนนะก็เลยหันกลับไปกินอาหารแบบมนุษย์ยุคหินนะมันก็มีแล้วนะกลายเป็นข้านิยมแบบใหม่เป็นแฟชั่นนะอาหารแบบมนุษย์ยุคหินเพื่อสุขภาพมีอาหารหลากหลายแล้วก็มีเนื้อนะแต่ที่จริงนี่ถ้าออกกาลังกายเยอะนี่ไม่ว่าเราจะกินอาหารอนะไรเข้าไปถ้าออกกําลังกายมากๆ ก, ก, ก็ดีหรือถ้าไม่ออกกาลังกายก็ต้องกินให้น้อยลงกินอาหารประเภทผักให้มากขึ้น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 เคยไปประเทศไต้หวันนี่อาหารมังสวิลนันีอาหารเจนี่เพียบแล้วทำอร่อยนะทำอร่อยใครใครได้ไปไต้หวันเนี่ยก็จะพบว่าอาหารมังสวิลัอาหารเจนี่หาได้ง่ายมากราคาก็ถูกคุณภาพก็ดีสะอาดก็สะอาดอันนี้แหละที่อาจจะเหมาะกับสำหรับคนยุคนี้นะอาหารมังสวิลหัห อ, อาหารเจนี่จะเรียกว่าเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับคนยุคนี้ก็ได้เพราะว่าเดือนี้เรา